อยู่อย่างเดียวไม่ไหวอืนั่นนะอันในพุทธภา ษ, ษ, ษิตพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้คนเรานั้นพึ่งตัวเองซึในการที่บุคคลจะพึ่งตนเองได้มันก็ต้องเกี่ยวแก่การฝึกตนมานตนเป็นนี่ข้อสำคัญอยู่ตรงนี้นะาการใส่ใจให้มาก คนนั้นก็รู้ตัวดีอยู่แล้วว่ามันมีกิเลสอยู่ในหัวใจนี่ทำให้จิตใจคว้อยเข่ไปต่างๆจิตใจวันไว้ไปต่างๆนี่ก็ด้วยอำนาจของกิเลสมันปลกปั่นเอาแต่ความจริงนะกิเลสมันไม่ได้ปลกปันก่นจิตใจคนหรอกแต่คนไปสร้างมันขึ้นนอเรื่อง ม, มันเป็นอย่างนั้น คนไปสร้างมันขึ้นแล้วมันก็ทำฤทธิ์เอาอก็เหมือนอย่างไฟนั่นไงไฟนี่เป็นของร้อนเป็นของไหมแต่ว่าถ้าว่าไม่ใครไม่เอามือไปจับมันอย่างนี้มันก็ไม่ไม่ถึงมันจะเป็นของร้อนอยู่โดยธรรมชาติก็ช่างมัน ม, ม, มันก็ไม่ทำอันตรายให้เก่ใครได้เลย ไม่ใช่ว่าเราเข้าไปนั่งใกล้แล้วมันเต้นเข้ามาใส่เลยไม่ใช่ผู้นั้นไม่เห็นไฟว่าเป็นของร้อนแล้วไปจับมันหรือไปเหยียบมันเข้าอย่างนี้มันถึงไม่เอาอันนี้ฉั้นใดก็อย่างนั้นอันกิเลสในจิตใจของคนเรานี่มันก็มีอยู่ทุกคนถ้าหาว่าหมดกิเลสแล้วไม่ได้มาเกิดในโลกนี้เลยอืม เมื่อเมื่อเรารู้ตัวกันว่าเรามาเกิดในโลกนี้ก็เพราะอาศัยกิเลสเป็นเหตุเป็นปัจใจัยให้ทํากรรมดีกรรมชั่วนี่กรรมดีกรรมชั่วก็เลยนําจิตปัญญานี่มาเกิดในโลกนี้มเมื่อเป็นเช่นนี้จะทำยังไงมันถึงจะไม่ต้องเกิดอีกหรือว่ามันพอใจในการเกิดอยู่ก็ต้องถามตัวเอง แต่คนที่ถูกอวิชชาตัญหาครอบงำจิตใจมากๆนะมันก็ต้องพอใจในการเกิดอีกนั่นแหละนะ <c oughs> เรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนั้นแท้ๆนี่เพราะฉะนั้นคนมันจึงเต็มโลกอันนี้อยู่เพราะมันพอใจนะีนะ่มันอะไรต่อโลกอันนี้มันไม่เบื่อไม่น่ายเลยนี่นะ เพราะฉะนั้นมันจึงได้ทำกรรมทั้งทั้งดีทั้งชั่วอะไรสำหรับผู้ที่อยากเกิดอีกมันก็ควรจะแบ่งออกเป็นสองพวกบางคนก็คิดสร้างบารมีเอาอยากเกิดมาสร้างบุญบารมีเพราะเชื่อแน่ว่าตนจะพ้นทุกข์ได้นั้นก็เพราะอาศัยบุญบารมี ไม่ไม่ได้อาศัยสิ่งอื่นไม่มีสิ่งอื่นที่จะนำตนให้พ้นทุกข์ไปได้ผู้ใดมีความคิดเห็นอย่างนี้แล้ว <c oughs> ก็อยากเกิดมาสร้างบารมีก็เลยตั้งใจทำคุณงามความดีไปไม่ท้อไม่ถอยอั <c oughs> นนี้บางคนบางพวกมีความพอใจในความสุข ในการมาสมบัติการมาสุขสมบัติต่างๆในเมื่อเกิดมาแล้วได้มาพบความสุขในกามทั้งหลายเช่นบางคนนะ่ะมีสติปัญญาดีหาเงินหาทองก็ได้แล้วก็มีผู้นาหน้าถือตามีเกียรติมียศอย่างนี้แล้วก็พอใจอยากแค่เกิดมาให้มีชีวิตเป็นอยู่ในทํานองนี้อีกต่อไปอ่า บางคนเป็นคนจนเมื่อเห็นเขามั่งมีสีสุขเขามีความสุขสนุกสนานดีมีเงินใช้สอยอย่างพุ่มเผื่อยอา้าวคนจนนี่มันก็อยากมีความสุขอย่างเขาก็รู้ได้ว่าเขามีความสุขอย่างนั้นเพราะเขาทำบุญทำทานาก็คิดทำบุญทำทานขึ้น คิดเกิดไปชาติใดก็ขอให้ได้ล่ำได้รวยได้เงินทองเข้าขลองมากๆด้วยอำนาจแข่งขานการกุศลอันนี้นี่แหละความคิดความต้องการของคนเรานี่ะมันไม่ใช่เหมือนกัน่ะมันมีแตกต่างกันไปอย่างนี้แหละอนนี้บางพวกที่มีบุญวาสนาบารมีแก่กล้ามันก็มองเห็นว่า ใคนความเกิดแก่เจ็บตายนี่มันเป็นทุกข์แล้วก็เป็นของไม่จีรังยั่งยืนเลยแม้จะต้องการเกิดมาอีกกี่ชาติมันก็ต้องมาแก่เจ็บตายอยู่เหมือนเดิมไม่ไม่มีผิศแตกกันเลยขึ้นชื่อว่าเกิดมาเป็นมีรูปมีนามอันนี้มาแล้วจะเกิดอีก <c oughs> <c oughs> จะเกิดอีกกี่ชาติกี่พบ <c oughs> มันก็ทำนองเดียวกันนี้เมื่อพี่นายเห็นในปัจจุบันนี้เข้าไปแล้วก็นึกเบื่อน่ายในความเกิดพวกความเกิดนี่แหละเป็นต้นเหตุมันถึงได้ประสบกับความยุ่งยากลำบากในโลกอันนี้ <c oughs> เอาถูกผู้อื่นมาเบียดเบียนเอาบ้งางบางทีถูกกรรมเวรที่ทนทำมาแต่ก่อนมันตามมาสนองเอา เจ็บไข้ได้ป่วยรักษายังไงก็ไม่หายในเสวยทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าหมนี้นะมาพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ก็เบื่อหน่ายคนผู้มีวัฒนธบารมีแก่กล้าแต่ถึงแม้ว่าบางคนน่ะถึงไม่มีกรรมเวรแต่ผลหลังตามมาสนองแต่ก็มองเห็นได้ว่า สภาพของสังขารร่างกายนี่ถึงแม้ว่าบุญกุศลมันจะตกแต่งให้สวยสดงดงามอย่างไรก็ตามจะมีอายุยืนเท่าไหรก็ช่างแต่มันก็ไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้ <c oughs> ผลสุดท้ายก็ต้องตายแม้จะมีอายุยืนอยู่ตั้งหมื่นปีก็ไม่พ้นตาย ผู้มีวาสนามีปัญญาบารมีได้พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จึงได้เกิดนิพพทาความเบื่อหน่ายไม่ต้องการอยากแกมาเกิดแกจิบตายอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปผู้มีความคิดเห็นเช่นนี้แหละประจึงได้ขอนขวายในการฝึกตนบะนี้ไม่นิ่งนอนใจจะเป็นพระเป็นเลนก็นีเป็น คฤหัสถู้ครองเรือนก็ดีเป็นชีเป็นเขาอะไรก็ตามเนี่ยเมื่อปัญญาความรู้ความเห็นดังกล่าวมาแล้วนี่มันเกิดขึ้นในใจของใครผู้นั้นย่อมเป็นผู้แสวงหาธรรมะของจริงแน่นอนเลยทีเดียวเป็นอย่างนั้นเพราะว่าแต่ละวันหรือแต่ละปีที่ล่วงแล้วมา มันพบตั้งแต่ทำของไม่จริงทำของจริงไม่พบนี่เมื่อพบแต่ทำของไม่จริงจิตใจมันก็ต้องแปลปวนวันไว้ไปตามของไม่จริงนั้ น, นอันนี้อุปมาเหมือนอย่างบุคคลไปอิงอาศัยหลักเสาหรือว่าต้นไม้ที่มันไม่แข็งแรงนั่นเอง อย่างนี้พอลมพัดมามันก็ไหวไปไหวมาไอคนผู้ที่เนี่ยวต้นไม้หรือหลักตอนั่นอยู่มันก็วันไว้ไปตามกันนะ่ยเพราะว่าสิ่งที่ตนเนียวอยู่นั้นมันมันไม่มั่นคงอะมันไม่แข็งแรงอนะเป็นอย่างนั้นอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนะี่ยอย่างว่าดวงจิต ด, ดวงนี้แหละมาอาศัยร่างกายอันนี้อยู่นี่เมื่อร่างกายอันนี้มัน ไม่เที่ยงไม่ยังยืนมันแปรปรวนไปต่งตางๆนานาอย่างนี้นะจิตใจนี่มันก็คอยแปรโพวนไปตามวันไหวไปตามาหรือว่ากิเลสตัณหาต่างๆหมดนี้นะมันล้วนจะเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นกิเลสตัณหาก็ดีดังนั้นเมื่อผู้ใดสะสมให้มันเกิดขึ้นในดวงจิตนี่มันจึงทำจิตนี้ให้วันไหวไปอยู่เรื่อย นะปั่นจิตนี่ให้หวันไว้ไปมาอยู่นั้นให้ดิ้นรนเสวงหาอะไรเท่าไรตามอำนาจของตัณหาความอยากในจิตใจอันเนี้ยนี่แหละผู้มีปัญญาต้องต้องพิจารณาให้มันเห็นเมื่อพิจารณาเห็นแล้วก็จะได้รู้ได้ว่าพี่เลสเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่เหลือววิสัยที่บุคคลจะพึงละได้ ไม่เหลือวิสัยแน่เพราะว่าไม่ใช่เป็นของเที่ยงยั่งยืนอะไรอะ่ะแต่ถ้าว่ามันเป็นของเที่ยงนั่นเออก็ก็แน่นอนนะก็คงละมันไม่ได้แหละดปงนั้นแต่นี่มันมันเป็นเพียงธรรมารมซึ่งเกิดขึ้นกับดวงจิตเท่านั้นเองนะเช่นความโลภ ก, ก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดี <c oughs> อันหมู่นี้ <c oughs> มันมันเกิดขึ้นในจิตจิตเป็นผู้คิดขึ้นมาต่างหากนั่นแหละทีนี้เมื่อรู้เมื่อจิตนี่รู้ว่ามันไม่ดีมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วจิตไม่ไม่คิดมันขึ้นมาไม่ปรุงแต่มันขึ้นมามันก็เกิดไม่ได้จิตนี่กำหนดละมันมันก็ดับไปนั่นแหละเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นโดยลาพังไม่ได้เลยมันต้องอาศัยดวงจิตนี้ถึงเกิดขึ้นได้กิเลสดังกล่าวมานี่นะ ดัง <c oughs> <c oughs> นั้นนะก็ให้พากันพิจารณาอย่าไปย่อท้อกับกิเลสเมื่อผู้ใดผู้มีปัญญานะพิจารณาเห็นลักษณะอาการของกิเลสดังกล่าวมานี้แล้วก็จะรู้ได้ว่าไม่เหลือวิสัยเลยนะว่าแต่เรามาปรับปรุงจิตนี้มันเข้มแข็งไว้อย่าให้จิตนี้มันอ่อนแอ ไปตามอำนาจของกิเลสก็แล้วกันนะเพราะนั้นลองสังเกตดูซิ <c oughs> ที่พระศาสดาทรงแสดงข้อปฏิบัติไว้นั้นกนะระวนทั้งแต่เป็นข้อปฏิบัติสำหรับ <c oughs> สกัดกั้น กิเลสตัณหานี่ไม่ให้เกิดขึ้นในจิตใจทั้งนั้นเลยอย่างเช่นผู้คลองเรือ น, นอมันก็ย่อมมีความโลภความต่อ ห, หนีหวงแหนในทรัพย์ินเงินทองเป็นธรรมดาทีนี้เมื่อบุคคลไหวเห็นโทอดแห่งความโลภนั้นแล้วก็ทําบุญบริจาคทานไปอย่างนี้นะไอ้ความโลภมันก็เกิดขึ้นในใจไม่ได้ เพราะว่าใจมันสละออกไปเรื่อยๆอยู่มันไม่ได้หวงแหนไวโดยส่วนเดียวสมบัติใดที่ควรจะสละออกไปเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นแล้วมันก็สละออกไปอย่างนี้นะก็คงไว้สำหรับสมบัติสำหรับที่จะใช้สอยในครอบครัวตัวเรือนอย่างนี้ส่วนใดที่จะเผื่อแผ่ไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมก็ จัดสรรออกไปก็เมื่อมันมีจํากัดอย่างนี้นะมันก็ไม่โลภแล้วทีนี้นะอ่ามันก็ไม่ดิ้นรนอยากจะไปได้สมบัติผู้นเเป็นของตนแล้วเพราะแต่สมบัติของตนแท้ๆตนก็ยังบริจาคทานได้เรื่องอะไรเราที่จะไปโลภโมโทสันเอาสมบัติของผู้อื่นนะนี่แหละเมื่อผู้ใดมาฝึกเกติใจให้สันโดษยินดีตามมีตามได้ ฝึกจิตใจให้เป็นผู้เสียสละในสิ่งที่ควรเสียสละได้อย่างนี้มันก็สกัดการความโลภไม่ให้เจริญงอกงามขึ้นในจิตใจได้ถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้ก็จะเป็นผู้มักน้อยสันโดษในปัจจัยเครื่องอาศัยจะไม่ไปหลอกลวงคนอื่นเขาเลี้ยงชีวิตจกไม่ล่วงชิบขาบทที่ในน้อยใหญ่เพราะอาชีพ นี่แหละการละความโลภ ก, การที่เรามาพิจารณาเห็นโทษแห่งความโลภอย่างนี้แล้วก็ทําบุญบริจาคทานไปมันก็เป็นเครื่องส ก, กัดกั้นกิเลสตัว น, นี้ไม่ให้เกิดขึ้นในใจได้จริงๆไนงะแม้ความโกรธก็เหมือนกันนะอันทุกคนนั้นมันต้องมีแหละนูน่นอนาคามีมากนู่นถึงจะตัดขาดได้ความโกรธนี้นะ่ ถ้าหากว่ายังไม่ได้บรรลุอนาคามีมากแล้วมันก็มีอยู่ทุกคนนะต่างแต่ว่ามากและน้อยกั่วกันเท่านั้นเองมากก็ดีน้อยก็ดีถ้าหากว่าผู้ใดไม่เบื่อหน่ายมันไม่เห็นโทษของมันไม่พยายามละมันอย่างนี้นะก็เมื่อไม่พยายามละมันเนี่ยมันก็ต้องพยายามสะสมมันแหละบัดนี้นะอ่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะก็ต้องพยายามสะสมมัน ทีแรกมันก็โกรธน้อยๆนานไปมันก็โกรธมากขึ้นมากขึ้นแล้วเลยกลายเป็นพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันไปเอออย่างนี้นะทีนี้เมื่บอบุคคลมาสมทานมั่นในศีลลงไปไม่ยอมล่วงศีลเลยแม้ชีวิตจะมาลายหายสูญไปเพราะการรักษาศีล น, นี้ก็แล้วแต่มันตั้งความสัตย์ความจริงลงในใจอย่างนี้แล้วมันก็สกัดกั้นความโกรธได้ เพราะว่าเมื่อโกรธขึ้นมาแล้วไปประหารฐานบุตรมันก็ผิดศีลแล้วนี้อย่างนี้หลยอย่างนั้นเมื่อเคารพในศีลอยู่เต็มที่แล้วมันก็สกัดกั้นความโกรธไว้ได้ออ <c oughs> <c oughs> นอกจากสกัดกั้นความโกรธไว้ด้วยอํานาจแห่งศีลแล้วมันก็ยังมีเมตตากรุณาธรรมนี่อีกออ เป็นเครื่องกล่อมจิตใจให้เยือกเย็นสบายไม่ให้งุดงิดไม่ให้ชุนชิ้วไม่ให้เป็นคนวู้วามโกรธง่ายอะไรพูกนี้น ะ, ะเมื่อบุคคลมาเจริญเมตตากรุณาอยู่บ่อยๆ อ, อย่างนี้มันก็ทำให้ใจอ่อนลงพอมองเห็นสัตว์โลกทั้งหลายมันก็มีสภาวะเหมือนกันกันกบตนนี่แหละ ไม่มีผิดแผลแตกต่างกันเลย <c oughs> ตนต้องการอย่างไรบุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็ต้องการเหมือนกันเช่นตนเกลียดทุกต้องการความสุขบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเขาก็เกลียดต่อความทุกต้องการความสุขเหมือนกันกันกบตนนี้เองดังนั้นน่ะตนก็ไม่ควรที่จะไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เปือดร้อน และบุคคลอื่นสัตว์อื่นก็ขอจะได้มาเบียดเบียนเราเช่นเดียวกันหากว่าผู้ใดมาเจริญเมตตานึกคิดถึงตนตนเองและบุคคลอื่นสัตว์อื่นอยู่อย่างนี้นะมันก็ทําให้ความโกรธนั้นเบาลงมากทีเดียวอไม่ได้อดกลั้นเหมือนอย่างการรักษาศินเพราะการรักษาศินนั้นเมื่อมันคิดจะโกรธขึ้นมามันนึกถึงสิน ศีลจะขาดมันก็อดกั้นลงไปเป็นอย่างนั้นเนี่ยทีนี้เมื่อมาเจริญเมตตากรุณาเนี่ยให้เกิดมีขึ้นในใจแล้วไม่ได้อดกั้นอย่างนั้นหรอกอมเมื่อเวลามีเรื่องไม่ดีต่างกระทบกระทั่งมาหมายว่าเกี่ยวกับคนก็ดีสัตว์ก็ดมีมันกระทบกระทั่งเข้ามาอย่างนี้นะอันภายในจิตใจนะั้นมันก็ให้อาภาัยอยู่เรื่อยมาอยู่แล้ว ดันั้นเมื่อได้ประสบเหตุอย่างนั้นมันก็อภัยให้ไปเลยไม่ถือสาหาความเลยเอาใครจะกระทบกระทั่งมาแล้วก็ยกโทษให้ไปเลยหมายความว่าไม่ตอบโต้นั่นและเรียกว่าอาภัยให้อ <c oughs> อย่างนี้นมันก็เรียกว่าเราได้มีคุณธรรมเหล่านี้เป็นกำลังใจสำหรับต้านทานต่ออำนาจของกิเลส ไม่ให้จิตใจอันนี้มันสร้างกิเลส ข, ขึ้นมาหมายความว่าอย่างนั้นเราสร้างคุณธรรมอันนี้ไว้ในใจให้มากๆแล้วจิตนี้มันได้รับรสแห่งพระธรรมอันนี้ได้ความเย็นใจได้ความสบายใจอะอย่างนี้เรื่องอะไรแนละ้วมันจะไปสร้างความโกรธขึ้นมาเผาตัวเองให้เดือดร้อนน ะ, อะพอมาได้ทบทวนดูแต่เบื้องหลังแล้วว่า ต่้งแต่เมื่อยังไม่ได้เจริญเมตตากรุณานี่แม้ความโกรธมันเผาเอาเหลือเกินนะอย่างนี้นะทบทวนดูก็รู้ได้แล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่ปรารถนาที่จะสร้างความโกรธขึ้นอีกต่อไปเลยจึงได้เจริญเมตตาธรรมกรุณาธรรมนี่ให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจจนมองเห็นว่าผู้ผนี้แต่ก่อนเคยเป็นศัตรูตนมา ตนก็เกลียดเขามาเมื่อเมตตาธรรมกรุณาธรรมนี่เกิดขึ้นในจิตใจแล้วเลยมองเห็นว่าคนผู้นี้ก็เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเท่านั้นเลยเขาไม่ได้เป็นศัตรูอะไรเราเลยอาก็แต่ก่อนเขาเป็นจริงแต่เดี๋ยวนี้เราเอาโหสิกรรมให้หมดแล้วเราไม่เราไม่ตอบแล้วนี่การเจริญเมตตานะที่มันได้ผลแท้ ก็ต้องเจริญให้มากมากจนว่ามองเห็นศัตรูว่าเป็นมิตรไปนู้นเลย อ, อย่าไปมองเห็นว่าศัตรูเป็นศัตรูอยู่อย่างนี้ถ้ายังมีความรู้สึกอยู่อย่างนั้นเมตตาทมยังไม่ได้เจริญงอกงามขึ้นในจิตใจเท่าไหรนะ่นักดังนั้นแหละการเจริญเมตตามันก็มีความหมายอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ว่าใครๆก็เจริญได้ทําได้เหมือนกันหมด เียงอยู่เพียงแต่บริกรรมบาลีเท่านั้นสเพสัพสาตาสุขิตาหนตุสเพสัพสาตาเอเวลาหนตุไปเท่านั้นใครก็ว่าได้กันหมดเลยนึกได้เหมือนกันหมดเลยแหละแต่ว่ามันนึกไปแล้วมันไม่มันไม่รู้จักความหมาย อ, ะอ่ะอการเจริญเมตตาอย่างนี้มันมีความหมายอย่างไรเพื่ออะไรไม่รู้อะ่ะเมื่อไม่รู้อะไรอย่างนี้นึกไปอย่างนั้นเน่ย นึกไปเฉยๆอย่างงั้นล่ะว่าไปอย่างนั้นตามประเพณีซึ่งนิยมกันไปเฉยๆอย่างนี้มันก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยดังนั้นจึงว่าคุณธรรมของพระพุทธเจ้านี่นะล้วนแต่มีความหมายตั้งแต่อย่างตื้นไปจนถึงอย่างลึกลงไปดังนั้นผู้หนักในธรรมทั้งหลายนะ ก็อย่าไปนอนกอดทาอยู่เฉยๆก็ต้องเอาข้อธรรมนั้นมาวินิจฉัยให้เห็นแนวทางปฏิบัติให้มันลึกไปโดยลำดับเพราะนั้นพระศาสรายึงตัดว้วยว่าเจโตวิมุตติยานั่นแหละเมตตายะพิฆเวเจโตวิมุตติยาดูก่อนพิสูองค์ไหล เรากล่าวว่าการเจริญเมตตาเนี่ยเมื่อเจริญให้ ม, มากๆขึ้นไปแล้วก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากกิเลสป่อประธรรมไปได้นี่นะไม่ใช่เป็นของธรรมดาธรรมดานะคุณธรรมเหล่านี้นะแต่มันเกี่ยวกับคนเรานี่สิทําไม่จริงนะไม่เอาจริงเลย ทำไปก็กแต่ว่าทําไปลอยลอยก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละนึกถึงแต่บาลีเท่านั้นเลยวันนี้ไม่กระทําอุบายเงียบภายในใจไม่นึกคิดถึงตนเองและบุคคลอื่นสัตว์อื่นดังกล่าวมาแล้วนั้นใจมันก็เลยไม่ทราบซึ่งในเมตตาธรรมนั้นเท่าไหรน่นักเหมือนแต่ถ้าว่าได้นึกคิดถึงตนเองและบุคคลอื่นสัตว์อื่นที่อบ ก, กันดูอย่างที่ อธิบายมาแล้วนะั่นนะเออจิตดีมันก็ทราบซึ่งในเมตตาธรรมนะ่ะอย่างยิ่งเมตตาธรรมก็ซึมทราบเข้าไปสู่จิตใจได้ <c oughs> ถ้าอย่างเราอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะอย่างนี้นะ <c oughs> แล้วต่างคนต่างก็เจริญเมตตาไมตรีจิตต่อกันเสมอเสมอไปเรียกว่าเราเจริญเมตตาไมตรีจิต ต่อกันทั่วทั่วไปเลยในหมู่ในคณะเนี่ยเราไม่เลือกที่รักผักที่ชังเลยอย่างนี้นะเมื่อเมื่อเราต่างคนต่างได้เจริญเมตตาแผ่ไมตรีจิตพิตรภาพต่อกันอย่างนี้แล้วไม่มีอะไรนะทางที่มันจะทะเลาะวิวาทผิดเสียงกันนะถ้าแม่อีกฝ่ายหนึ่งนะคลั่งเถอไป แสดงกิริยาหยาบคายต่อตอนบางสิ่งบางอย่างตนก็ยอมยกโทษให้ได้อภัยให้ไม่ไม่ตอบโต้ไม่ยอมทะเลาะวิวาท ด, ด้วยก็เพาะด้วยอาณิสง์แห่งเมตตาธรรมนั่นแหละมันค้ำจุนชีวิตจิตใจของคนเราไว้ไม่ให้ทะเลาะวิวาทซึ่งกันและกัน ผู้มีเมตตากับผู้มีความอดทนได้ชื่อว่าเป็นผู้มีลาบได้ชื่อว่าเป็นผู้มียศได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความสุขเป็นปกติภาษาสดาทรงแสดงไว้นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นคุณธรรมเหล่านี้น่ะควรพากันบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในจิตใจถ้าหากว่าไม่มีคุณธรรมเหล่านี้แล้ว ใจจะไม่มีกำลังเลยใจจะไม่มีกำลังต่อต้านทานต่ออำนาจแห่งความชั่วที่มันกระทบกระทั่งมาเลยะจะต้องวันไว้ไปตามอำนาจแห่งความชั่วนั้นๆถ้าว่าเราบำเพ็ญคุณธรรมเหล่านี้ให้บังเกิดขึ้นในจิตใจมากๆแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ได้วันไว้กับเรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆที่มันกระทบกระทั่งมา อพระพุทธเจ้ากระ僧ตรัสอานิสงส์แห่งความอดทนได้หลายอย่างทีเดียวเนลยผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายผู้มีความอดทนย่อมยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้เป็นไปจเจริญ ง, งอกงามไปได้เนี่ยนี้แหละผู้มีความอดทนย่อม มีตะปรรมเครื่องแผลเผาพิเรศห้เหือดแห้งไปได้มุริพระศาสดาทรงยกย่องขันติธรรมนี่โอ้หลายมีอยู่หลายในหลายพาจิตทีเดียวแหละในอนิสงส์การปฏิบัติธรรมนั้นอนิสงส์การกระทำบุญกุศลทำความดีต่างๆ ท, ที่ท่านแสดงไว้นะัน สุดท้ายนั้นสู้อา น, นิสงส์แห่งขันติธรรมไม่ได้เลยสรุปลงแล้วนะ <c oughs> ถึงภาวนาร้อยครั้งก็ยังสู้ความอดทนไม่ได้คุณว่าผลสุดท้ายนะ้นั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงว่าคนเรานี่ถ้าขาดความอดทนนี่สักอย่างเดียวแล้วจะทําคุณงามความดีอะไรให้สําเร็จรู้ล่วงไปไม่ได้เลย เพราะว่าการทําความดีนี่มันย่อมมีความชั่วเป็นศัตรูเมื่อความดีอยู่ที่ไหนความชั่วมันก็แทรกแซงกันในในที่นั้นแหละอย่างว่าคนลอจับงานอะไรลงไปทํางานอะไรลงไปเช่นเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ดีอมันก็ต้องมีคู่แข่งเป็นเรื่องนั้นไปเป็นชาวนาชาวสวนของเหมือนกันนะมันก็มีอุปสรรค ความขัดข้องความวมุ่นวายต่างๆมนี้นะมันย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทีเดียวนั่นไะดังนั้นถ้าผู้ใดขาดความอดทนแล้วมันก็จะผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปไม่ได้เลยงานการทั้งหลายก็เสร็จสาเร็จรู้ล่วงไปไม่ได้นี่เป็นอย่างนี้เพราะนั้นเมื่อผู้มีความอดทนแล้วอดทนต่อหน้าที่การงาน ของตอนตนมีหน้าที่อย่างไรก็ตั้งใจทำหน้าที่การงานอันนั้นเพื่อมุ่งผลให้มันสำเร็จเป็นเป้าหมายเลยอย่างนี้แล้ว <c oughs> แล้วก็อดกั้นทนทานต่ออำนาจของกิเลสที่มันเกิดขึ้นใน จ, ใจิตใจไม่ปล่อยใจให้ไหลไปตามอำนาจของกิเลสเช่นความรักความชังก็ดี เมื่อมันเกิดขึ้นในใจรู้ว่าทีเด็ดต่อนี้เป็นของไม่ดีแต่ว่าเราจะไปกําหนดละเอาด้วยปัญญาไวๆเนะี่ยมันละไม่ได้ก็ต้องอดกั้นทนทานไปก่อนอดไม่คิดไม่นึกไม่ส่งเสริมมันต่อไปเช่นนี้แล้วเมื่ออดทนได้แล้วมันก็ระงับลงไปเองเนะี่ยเพราะเราไม่ส่งเสริมมันนี้เป็นอย่างนั้นนอกจากอดกั้นทนทานต่อ อำนาจของกิเลสภายในจิตใจนี้แล้วก็อดกั้นทนทานต่อคำด่าว่าเสียชีจากภายนอกอีกด้วยนี่นัตถิโลเกอะนินทิโตพระพุทธเจ้าตรัสไปคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก <c oughs> นินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอกท่ำเหมือนเอามีดมากรีดหิน อแต่พระปฏิมาก็ยังราคินฉไฉนมนุษย์เดินดินจะสิ้นคนนินทานี่ท่านก็ว่าเป็น ค, คําโครงไว้อย่างนี้นะเหมือนกันน่าคิดเหมือนกันนะอนับว่าเป็นคติธรรมเป็นอย่างดีพ ร, ระศาสดากระซงตรัสว่าคนเกิดมาในโลกนี้จักไม่ได้ถูกเขานินทานไม่มีเลยพออระองค์ก็ยืนยันมาอย่างนี้อันนี้เป็นธรรมของเก่าคน่ะ มีอยู่ในโลกนี้ตั้งแต่ใ น, นสลายมาเป็นธรรมประจําโลกเมื่อบุคคลมารู้ความจริงอย่างนี้แล้วไม่วัอนไหวไปตามคําสรรเสริญนินทาเหล่านั้นนะก็จะเป็นผู้ปราศจากกิเลสดังธุรีนั่นว่าเรียกว่ามีกิเลสดังธุรีไปปราดแล้วก็ลองฟังดูอา น, นิสงส์แห่งความอดกั้นนะนั่นเนี่ กดกั้นต่ออำนาจของทีเลต์กดกั้นต่ออำนาจแห่งคำสรรเสริญนินทาว่าร้ายต่างๆหมดนี้นะ เ, เมื่อจิตไม่วันไวแล้วความสรรเสริญตัว น, นั้นมันก็ดับไปเองมันนะเพราะจิตไม่คิดถือเอามันมาจิตตั้งมั่นอยู่ได้แต่ว่าคีเลตเหล่านั้นมันดับไปนี่จิตก็เลยเป็นอิสระเสรีอยู่เหนือโลกกระทาเหล่านั้น ก็แสนที่จะมีความสุขความสบายใจอนี่แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้มีความอดกั้นทนทาและประกอบเพื่อได้เมตตาการุณาย่อมได้รับอานิสงคือว่าเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายหนึ่งและเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยลาบด้วยเกียรตียศชื่อเสียง อย่างหนึ่งแล้วก็เป็นผู้มีความสุขทางจิตใจเป็นปกติไปเลยนี่เป็นอานิสงส์อ่อดังนั้นให้พึ่งพากันจดจำเอาไว้ให้พึ่งพากันใส่ใจในคำสอนของพระเจ้าดังที่แนะนำให้ฟังมานี้น ะ, ะการที่เรามาฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้ หนักไปในทางธรรมอย่างนี้ไม่ให้มันหนักไปทางโลกอออันนี้แหละได้ชื่อว่าบุคคลนั้นเป็นผู้พยายามคิดพึ่งตัวเองเป็นผู้มีธรรมเป็นที่พึ่งเป็นผู้มีธรรมเป็นเกาะเป็นที่อาศัยอไม่ไม่ได้อาศัยบุคคลอื่นเป็นอยู่เพราะว่าธรรมะนี่เป็นของมีอยู่ประจําในจิตใจของคนได้ ธรรมะไม่มีรูปร่างฉันใดจิตดวงนี้ก็ไม่มีรูปร่างอย่างนั้นมันก็เข้ากันได้เลยแบบนี้อก็ก็ผูดง่ายๆว่าดวงจิตนั่นแหละน้อมเอาธรรมะเข้ามาสู่จิตนี้น้อมเข้ามาบ่อยๆเข้าไปธรรมะมันก็ซึมซาบเข้าสู่ดวงจิตนั้นอืจิตก็เห็นแจ้งประจักษ์ว่า ธรรมะเหล่านี้ได้เกิดขึ้นในจิตของเราแล้วได้ตั้งมั่นอยู่ในจิตแล้วเช่นอย่างขันติและเมตตาเป็นต้นดังกล่าวนั้นนะก็เมื่อคนเรานั่ยนะฮะถ้าเป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่นอยู่ด้วยคุณธรรมอย่างนั้นแล้วไม่ไหลไปตามอานาจของกิเลสอย่างนี้แล้ว ก็มีสิทธิ์ที่จะรู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้งสี่นั่นได้เลยบัดนี้พ อ, อเมื่อจิตตั้งมั่นด้วยดีแล้วมาเพ่งพิจารณาดูอัตภาพร่างกายนี้มันก็เห็นแจ้งประจักษ์เลยว่ามันไม่เที่ยงมัมนเห็นความแปรปวนของอัตภาพร่างกายอันนี้ตามความเป็นจริงอยู่นั้นน ะ, ะมันก็เกิดนิพพิธาความเบื่อหน่ายขึ้นมา เมื่อเบรนายมันก็คลายความยึดมันถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนนะ่ะถ้าว่าเป็นตัวตนจริงมันก็ต้องเที่ยงตองอย่างยืนเพราะว่าดวงจิตแท้ๆแล้วไม่ต้องการเลยสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ยงังยืนนี่ไม่ต้องการจริงๆนะอย่างว่าคนเกิดมาแล้วอย่างนี้นะก็อยากมีอายุยือนอยู่ตั้งพันปีหมื่นปีแสนปีไปนูน่น ไม่มีใครเลย อ, อยากยะกแก่เจ็บตายง่ายง่ายนั้นนี่แหละแต่แล้วมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังฮะนี่เพราะว่าสภาะวะธาตุาทั้งหลายเหล่านี้มันมันมีความเกิดขึ้นแล้วแปรกชในท่ามกลางแล้วแตกดับในที่สุดอันนี้เป็นกฎธรรมดาประจําอยู่กับโลกสนิวตัตอันนี้แล้วใครจะมาบังคับให้โลกสนิวตัตอันนี้เป็นไปตามใจหวัง ไม่มีทางนะก็เมื่อผู้ใดมีปัญญาสอนจิตใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้แล้วมันก็โปรงก็วางความยึดปันถือมันความเห็นผิดที่คิดว่าเป็นตัวเป็นตนนี้ลงได้ละความเห็นผิดคิดว่าเป็นตัวเป็นตนลงได้ความเห็นถูถเห็นชอบมันก็เกิดขึ้นมาแทนความเห็นที่ว่า สังขารร่างกายนามรูปอันนี้ไม่ใช่ตัวตอนเราเขาอะไรเลยอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นมาแทนนะนั่นแหละเจีมแจ้งขึ้นมาเลยถ้าว่ามันความคิดความเห็นอันนี้มันเกิดด้วยขึ้นมาได้ด้วยอํานาจแห่งอริยมรรคแล้วอย่างนี้ความเห็นอย่างนี้มันจะไม่ลบเลือนเลยอกําหนดเวลาใดก็รู้ก็เห็นเวลานั้นเลยกําหนดพิจารณาเวลาใดก็เจีมแจ้งขึ้นในเวลานั้นเลย ออืนี่นี่นะลักษณะของความรู้จริงนะเพึ่งพาเข้าใจอแต่เมื่อไม่พิจารณาก็ไม่รู้แหละไม่รู้ออืมันเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาพอกําหนดพิจารณาเท่านั้นมันรู้ชัดขึ้นมาเลยมันไม่ขัดข้องเพราะว่าความรู้แจ้งความเห็นจริงอันนี้มันมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นตัวธรรม อันประจำอยู่กับดวงขิดเลยวันี่นะอดวงจิดนั่นแหละเป็นธรรมของจริงอะพวกง่ายๆแต่หากว่าเมื่อไม่ดำริไม่พิจารณาความรู้นั้นมันยังไม่กระจ่างขึ้นมาพอกำหนดนึกพิจารณาเท่านั้นมันก็กระจ่างขึ้นมาเลยอันนี้แหละเพราะฉะนั้นพุทธศาสนกชนทั้งหลายผู้นับถือพุทธศาสนา ก็ไม่ควรที่จะย่ําเท่าอยู่แต่ที่เดิมคือผู้ใดมีศรัทธาเพียงแค่ทําบุญให้ทานก็ติดอยู่แต่เพียงแค่ให้วัตถุสิ่งของเป็นทานเท่านั้นไม่ได้ขยิบขึ้นไปว่าจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์อย่างนี้อา้าวบางคนมีทานแล้วมีศีลแล้วก็ย่ําตอกอยู่แต่แค่ทานแค่ศีลเท่านั้น ไม่ได้ดำริตรีตองว่าจะฟังธรรมจะภาวนาอบรมจิตชำระจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องใสเลยอย่างนี้ก็นับว่าไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่งเพราะว่าพระศาสดาทรงแนะนำข้อปฏิบัติไว้ให้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วสำหรับเป็นเครื่องมือคำจัดที่เล็ดบาปธรรมต่างให้ออกไปจากจิดใจแล้วเราจิดได้รู้ธรรมของจริงขึ้นมาในดวงจิตนี้อ่า นี่อย่าไปเข้าใจว่าทมของจริงนี่เป็นสิ่งเหลือวิสัยคนธรรมดาสามัญอย่างเรานี่ไม่มีวาดสนาที่จะรู้ได้แล้วคนส่วนมากมักจะมักจะลำพึงอย่างนี้ในใจหรือว่าพูดออกปากให้คนอื่นได้ยินได้ฟังมีอยู่สมัยไอ การลำพึงหรือว่าถือมั่นในความคิดความเห็นอย่างนี้ไม่ถูกต้องเลยขอให้เข้าใจทางที่ถูกแท้แล้วก็ให้มาทบทวนดูว่าไอ้ร่างกายกับดวงขีด น, นี้เนี่มันเราได้มาอย่างไงอ่ะนี่ถ้าหาก ว, ว่าผู้ที่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็ต้องตอบตัวเองได้เลยว่าเราได้มาด้วยบุญ เราได้ทําบุญกุศลทําความดีต่างๆแต่ในชาติหนหลังนู่นอบุญกุศลอนั้นตนะ์ถึงได้มาตกแต่งอัตภาพร่างกายอันเป็นมนุษย์นี่ให้พร้อมทั้งมีสติปัญญาอย่างนี้นะอการได้มาซึ่งกายและจิตนี้ไม่ใช่ได้มาด้วยบาปอผู้ที่ได้มาด้วยบาปนั้นก็ย่อมมีความบกพร่อง ในร่างกายสังขารบกพร่องในทางจิตใจด้วยจิตใจก็ไม่มีสติปัญญาอไม่สามารถที่จะละชั่วทำดีได้อเนี่ยนี่ส่วนร่างกายก็บกพร่องวิบัติไปอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สมประกอบโมนีผู้ได้กายได้ใจมาอย่างว่านี่เรียกว่าได้มาด้วยอํานาจของบาเนี่ยก็ทบทวนดูตัวเองอย่างนี้แหละ เมื่อผูใ้ใดทบทวนดูตัวเองได้อย่างนี้เมื่อมาเห็นว่าตนมีอัจภาพร่างกายนี่สมบูรณ์บริบูรณ์และไม่บกพร่องจิตใจของตอนก็นับว่ามีสมรรถภาพดีอยู่ออไม่ไม่ตกตำยังมีความหวังดีต่อตัวเองอยู่มากมายจิตใจนี่เมื่อเมื่อคิดได้อย่างนี้ทบทวนรู้ตัวเองอย่างนี้แล้วมันก็จะขมักขม้น ทำกุศลคุณงามความดีไปไม่ท้อไม่ถอยเลยเพราะว่ารู้แจ้งในใจแล้วว่าถึงแม้ว่าอัตภาพร่างกายนี้เราจะได้มาด้วยบุญแต่บุญนี่มันก็มีขอบเขตจำกัดมันตกแต่งร่างกายให้มาแล้วมันก็อุปถัมภ์บำรุงไว้ไม่ให้แตกดับทำลายไปก่อนเพราะว่ากำลังบุญที่บุคคล ผู้ห น, หนึ่งสร้างมานั่นนะมันก็มีอยู่มากพอสมควรอาแต่ละคนนั่นนะอย่างนี้อ่ะอันนี้เมื่อบุญกุศลนั่นมันล่อยหลอไปอ่ะร่างกายนี่มันก็บกท่องไปแล้ววันนี้นะชำระทรุดโทมไปที่เราเรียกกันว่าความฉลาภาพนี่การที่ร่างกายทุดโทมลงไปนี่นะไม่ใช่อื่นไกลอะไรนะ เพราะว่าบุญกุศลที่ทํามาแต่ก่อนนะ่ะมันบกพร่องลงไปแล้ววันนี้นะะเมื่อมันบกพร่องไปมากเข้าไปเท่าไรร่างกายนี้มันก็ทุดโทรมไปเท่านั้นเมื่อบุญนี้หมดลงเมื่อใดร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้เลยก็ต้องแตกสลายทาลายลงนี่ก็เมื่อผู้มีปัญญามารู้เห็นอย่างนี้แล้วก็จึงไม่ปล่อยให้บุญเก่านี่มันบกพร่องไปเป่า โดยที่ตนไม่ได้ใช้ร่างกายนี้ประกอบกุศลคุณงามความดีให้เจริญ ง, งอกงามขึ้นในตนเท่าที่ควรอย่าพึ่งกระทำก็ไม่ได้ทำอย่างนี้นะนับเป็นความประมาทผู้รู้อย่างนี้แล้วมันก็จะไม่ปล่อยให้วันคืนล่วงไปเสียเปล่าแล้วก็จะสำรวมระวังจิตใจของตนไม่ให้คิดไปในทางบาปอกุศลเมื่อตอนพิจารณา เห็นธรรมของจริงขึ้นมาอย่างไรก็พยายามรักษาทำความรู้ความเห็นจริงอันนั้นไว้ไม่ให้มันเสือ่อมแต่ถ้าหากว่าเป็นความรู้จริงยังเป็นส่วนโลกิยธรรมอยู่เนี่ยจำเป็นต้องในรักษาถ้าไม่รักษาไปไปมันก็เสื่อมเรีนเสียเสีความรู้จริงที่มันเกิดขึ้นเป็นโลกุตระธรรมไปแล้วนั้นอันนั้นไม่เสื่อมอันนั้น เป็อยังไงมันให้เข้าใจเป็นขั้นขั้นไปอย่างนี้เมื่อรู้ตัวว่าตนนั้นยังอยู่ยังติดแน่นอยู่ในโลกียธรรมอย่างนี้นะเอา้าก็ต้องระมัดระวังความดีของตนให้เต็มที่เลยอย่าให้กุศลความดีที่เราทํามานะี่ยมันเสื่อมไปแล้วก็ระมัดระวังอย่าให้ความชั่วเกิดขึ้นมาทดแทนนี่สําหรับผู้ที่อฝึกตนนะ ให้เข้าใจเมื่อรู้ว่าตนจะมีความสูขพ้นจากทุกไปได้ในขั้นใดๆนั่นมันเกิดจากการสั่งสมบุญกุศลการทำความเพียรเกิดจากความอดกั้นทนทานต่ออำนาจของขิเรตันหาดังอธิบายมาแล้วนั่นน่ ะ, ะเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งเมตตาธรรมกรุณาธรรมมือนีรักษาคุณธรรมเหล่านี้ไว้ในใจ เสมอเสมอไปแล้วก็นี่แหละเป็นการสั่งสมบุญบารมีกุศลบุญยลาศีให้เจริญงอกงามขึ้นในตนของตนไปโดยลำดับเท่าที่แสดงมาก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้